ไม่มีที่หลบบาป พ, พระพุทธภาสิทธณอันตริเคณสมุตดะมัตเถณปับบตานังวิวรังปวิสัตณวิชเ ต, เตโซชะคะติปะเดโซยัติโตมุจเจยะปาปะกรมมาแปลความว่าคนที่ทำบาปไว้จะหนีไปอยู่กลางอากาศก็ตามกลางมหาสมุทรก็ตาม หรือเข้าไปอยู่ในช่องภูเขาก็ตามย่อมไม่พ้นจากการให้ผลของบาปประเทศที่เขาไปอยู่แล้วพ้นจากบาปนั้นไม่มีอธิบายความได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่ต้นว่าบาปกรรมเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดสมดังที่พระาศาสดาตรัสว่านาทีกรรมมะสมังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมเมื่อถึงคราวกรรมจะให้ผลไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกาลังใดต้านทานได้ แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่าจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นเพื่อเขาใ จ, จแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ขอเสนอกรรมสิบสองมาเพื่อพิจารณาก่อนกรรมสิบสองจัดตามการที่ให้ผลสี่หนึ่งทิฏฐธรร ม, มะเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันคือให้ผลในชาตินี้พ้นชาตินี้ไปแล้วไม่ให้ผลตัวอย่างเช่นคนทากรรมบางอย่าง เมื่อได้รับความทุกข์ทรมานทางกายทางใจเพียงเล็กน้อยในชีวิตนี้แล้วก็เป็นอันหมดกันไม่ตามไปให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อไปกรณีดังกล่าวนี้พึงเห็นตัวอย่างคนที่มีความดีมากมีความชั่วเพียงเล็กน้อยหากคนชั่วมากทาความชั่วอย่างเดียวกันกวามชั่วนั้นย่อมพาเขาไปนรกได้พระเจ้าองค์ทรงยกตัวอย่างในเรื่องนี้ว่าเปรียบเหมือนเกลือจํานวนเท่ากันเมื่อใส่ลงไปในถ้วยน้ําเล็กๆน้ํานั้นกลับกลายเป็นน้ําเค็ม แต่เมื่อเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำจะไม่เค็มเลยเพราะจำนวนน้ำท่วมเกลือมากนักข้อยกเว้นมีอยู่ว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมอาจเปลี่ยนเป็นกรรมอย่างอื่นได้เช่นอาจแปลสภาพเป็นอุ ป, ปัชชเวทนิยกรรมได้เมื่อตามไปให้ผลในชาติหน้าเปรียบเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเขาถูกเรียกชื่อตามหน้าที่นั้นๆในที่นั้นๆสอง อุปัชเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติหน้าอันถัดไปจากชาตินี้สาอัปราปรเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติต่อไปไม่มีกำหนดศพโอกาสเมื่อไรให้ผลเมื่อนั้นซึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อทันเข้าทีใดกัดทีนั้นกรรมนี้มีโอกาสมากกว่ากรรมอื่นๆให้ผลอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะหมดกำลังของมันกรรมชนิดนี้จะไล่ตามผู้ทำอยู่เสมอบางคราวก็ทิ้งระยะไกล บางคราวก็เข้ามาใกล้มากจนทําให้บุคคลผู้นั้นฝันดีหรือฝันร้ายที่เรียกว่ากรรมอนิมิต e e คือกรรมดีกรรมชั่วใจผลมีเงามาให้เห็นก่อนในความฝันคนฉลาดจึงหมั่นสั่งสมกรรมดีไว้เสมอเพื่อให้กําลังแก่เนื้อให้มีกําลังวิ่งเด็ดไกล <S <S เพื่อสุนัขคือกรรมชั่วตามไม่ทันสิ่งที่เราเรียกกันว่าเคราะหดี D หรือเคราะห์ร้ายนั้นซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นครั้งคราวก็ถืออิทธิพลของกรรมชนิดนี้เองสี่อโหสิกรรม กรรมที่ไม่ให้ผลอาจเป็นเพราะคอยนายเกินไปไม่ได้โอกาสให้ผลจนหมดอายุไปเองหรืออีกในหนึ่งให้ผลจนเพียงพอแล้วหมดกําลังลงไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปกรรมชนิดนี้ท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก่าเกินไปหมดคุณภาพหมดอายุหรือเมื่อยาแก้โรคที่เก็บไว้นานเกินไปไม่มีประสิทธิภาพในการบรรบาดโรคอีกจัดตามหน้าที่สี่หนึ่งชนกกรรมกรรมที่ก่อกํากเนิดส่งให้เกิดในพบต่างๆ อาจเป็นกำเนิดดีหรือกำเนิดเลวกรรมนี้เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดทารกบุคคลจะเกิดในที่ดีหรือชั่วก็โดยอนุภาพของกรรมนี้พอให้เกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของตนสองอุปธรรมพกกรรมกรรมผู้ช่วยเหลือคืออุปธรรมกรรมนี้เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมถ้าได้กำเนิดดีกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นถ้าได้กำเนิดชั่วกรรมนี้จะช่วยไปทางชั่วรวมความว่าเหมือนพี่เลี้ยงดีได้ชั่ว ตัวอย่างบุคคลบางคนมีกําเนิดมาดีแล้วในชาตินี้ก็ทําดีต่อไปกรรมดีของเขาในปัจจุบันนั้นเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยสนับสนุนให้เขาดียิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนเกิดมาในกําเนิดไม่ดีเพราะชนกกรรมไม่ดีมาในชาตินี้ทําความไม่ดีซ้ําเขาอีกกรรมในปัจจุบันของเขาเป็นอุปถัมภกกรรมส่งเสริมให้เขาตกต่าหนักเข้าสาอุปีและกระก ร, รมก ร, รัมบีบคั้นนี่ก็เหมือนกันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ตรงกันข้ามกับกรบกรมประการที่สองตัวอย่างคนเกิดมาดีเพราะชนกกรรมดีแต่เมื่อเกิดมาแล้ว ท, ทําแต่ความชั่วกรรมชั่วจะกดบุคคล น, นั้นให้ตกต่ําลงกรรมนั้นเรียกอุ ป, ปีและกรรมบางคนได้กําเนิดไม่ดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีความพยายามดีมันสังสมกรรมดีกรรมดีของเขานั้นจะบีบคั้นความไม่ดีเก่าให้หมดไปกรรมใหม่ที่ดีของเขาโผล่เด่นขึ้นมา 4. อุปฆาตจะต่ หรืออุปบัติเชษทกกรรมกรรมตัดรอนอันนี้เป็นกรรมหนักตัดรอนได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตัวอย่างทางฝ่ายชั่วเช่นอนันตรีกรรมห้าคือการฆ่ามารดาฆาบิดาฆ่าพระอาหารหันต์ทำ้ายพระไตเจ้าจนพระโอหิทหกและการทำสงฆ์ให้แตกจากกันบุคคลทำกรรมนี้แล้วจะหมดโอกาสบรรลุมรรคผลในชาตินี้และเป็นอันแน่นอนว่าความดีอย่างอื่นไม่อาจคุ้มครองได้เขาจะต้องตกนรกโดยไม่ต้องสงสัย ตัวอย่างทางฝ่ายดีเช่นผู้ใดชานสมาบัติซึ่งถือว่าเป็นอนันตรยกรรมฝ่ายผู้สนตราบใดที่ชานยังไม่เสื่อมความช่วยอย่างอื่นไม่อาจทำลายเขาได้ชานกรรมนั้นตัดรอนวิบากแห่งอกุศลอื่นเสียสิน้นหากชานไม่เสื่อมเขาจะต้องไปพรหมโลกอย่างแน่นอนสูงขึ้นไปกว่านั้นหากเขาได้บรรลุอรหัตผลอรหัตผลนั้นย่อมตัดรอนวิบากแห่งกรรมอื่นเสียสิน้นเมื่อพระอรหันต์นั้นละเบนจะขันนิพพานแล้ว กรรมชั่วทุกอย่างก็หมดโอกาสติดตามเป็นอโหสิกรรมไปหมดนี่คือลักษณะของอุปคาตกรรมหรืออุปเฉทะกกรรมผู้อย่างโลกๆอย่างมองเห็นง่ายเช่นคนขอทานที่กลับเป็นเศรษฐีหรือกลับเป็นคนยากจนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอุปคาตกรรมจัดตามแรงหนักเบาสี่หนึ่งครุกรรมกรรมหนักฝ่ายชั่วคืออนันตรยกรรมมีค่ามารดาเป็นต้นดังกล่าวแล้ว ฝ่ายดีคือมหะตะคตากุศลจิตได้แก่ฌานอภิญญาหรืออรหัตมักอรหัตผลสองอาจินกรรมกรรมที่ทําจนเคยชินคือทําเสมอๆทํามากทําเป็นประจําเรียกปุพพุลกรรมก็มีกรรมนี้เมื่อให้ผลย่อมให้ผลยาวนานยืดเยื้อทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีกรรมนี้เมื่อก่อให้เกิดเป็นชน ก, กรรมในส่วนหน้าที่แต่มีข้อยกเว้นคือไม่แน่เสมอไป กรรมนี้เองที่มากกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยหรือวาณนาของคนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า a man second nature การกระทำบ่อยกลายเป็นความเคยชินจนเป็นลักษณะประจำของบุคคลผู้นั้นอุปนิสัยของมนุษย์ดีหรือเลวขึ้นอยู่กับกรรมชนิดนี้อามาสันกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อโจนตายกรรมนี้มักให้ผลก่อนเพราะใกล้ปฏิสนธิจิตย่อมงูเหนียวเอากรรมนี้ไว้ในขณะชุติคือเคลื่อนจากภพเก่า และถืออภ พ, พใหม่คือปฏิสนธิการให้ผลก่อนของกรคมนี้แม้จะมีกําลังน้อยเพราะเป็นกคำเล็กน้อยท่านเปรียบเหมือนวัวยืนอยู่ปากคอกแม้จะเป็นโคแก่มีกําลังน้อยแต่เมื่อประตูคอกเปิดออกโคนั้นย่อมเดินออกก่อนเพราะอยู่ปากคอกถ้ามันไม่ออกวัวอื่นๆที่อัดกันแน่นอยู่ในคอกก็จะต้องดันออกมาเพราะตัว อ, อื่นก็อยากออกเหมือนกันเปรียบเหมือนรถยนต์ติดไฟแดงก็ได้ พอไฟเขียวที่ป้อมไฟเปิดขึ้นรถยนต์ค้าหน้าย่อมต้องออกไปก่อนแม้จะกําลังน้อยก็าตามกรรมนี้มีกําลังเพลาเมื่อให้ผลแล้วก็มักหมดกําลังกรรมอื่นที่มีกําลังกว่าวุ่งออกหน้ากรรมที่มีกําลังเสมอเสมอคืออาจินกรรมก่อนตายท่านจึงสอนให้หระอถึงกรรมดีเพื่อจิตจะได้นุงเอาความดีไว้จักได้ปฏิสนธิในกำเนิดดีอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งถ้าจิตเปน็นงวงเหนียวเอากรรมโชวไว้ย่อมต้อง ปฏิสนธิในกำลัชั่วสี่กระตัตกคำหรือกระตัตาวาปนะครคำศักดิ์แต่ว่าทมท่านหมายถึงกรรมที่ทําโดยไม่ได้มีเจตนาคำนี้มีผลเบาที่สุดจะให้ผลข้อถมเมื่อกรมอื่นๆไม่มีกําลังจะให้ผลอีกแล้วที่จัดคำนี้เข้าเป็นคำอย่างหนึ่งด้วยก็เพราะการกระทําโดยไม่เจตนาบางอย่างมีผลเป็นทุกข์และสุขแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเช่นโยนก้อนหินไปโดยไม่เจตนาใช้ถูกใคร แต่เมื่อไปถูกใครเข้าคนนั้นไม่พ้นเจ็บรรม1ิสองแบ่งเป็นสามหมวดมีข้อความโดยย่อดังพนานามานี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านพิจารณาและคงจะมองเห็นว่าชีวิตของคนเราจะดีชั่วสุขทุกข์ก็ไม่พ้นกรรมชีวิตทั้งชีวิตมีกรรมชักยาอยู่โดยตลอดเนื่องจากกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากผู้มียาห น, น้อยยาที่จะมองเห็นโดยตลอดมักจะติดขัดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทางที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคขินคิดเองอ่านเป็นบ้าได้เพราะท่านว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องไม่ควรคิดอย่างหนึ่งกรรมวิปากะวิสโยอจินเตโยญาณของคนธรรมดาไม่อาจมองข้ามข้ามชาติไปได้ระยะที่มองเห็นก็สั้นเกินไปชีวิตเพียงชาติเดียวของมนุษย์ก็สั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมโดยตลอดได้เหมือนดูหนังหรือละครเพียงตอนเดียว ทำให้พิศวงเป็นกำลังเพราะรู้เรื่องไปตลอดที่ท่านผู้รู้เรื่องตลอดบอกไว้บางท่งานก็เชื่อบางท่งานก็ไม่เชื่อบางท่งานก็เชื่อครึ่งเดียวผลประโยชน์จากการศึกษาเรื่องกรรมการศึกษาเรื่องกรรมโดยละเอียดนั้นอย่างน้อยที่สุดทําให้เราไม่ยอมตนให้อยู่ภายใต้อํานาจของความผิดหวังเราไม่มองโลกและชีวิตอย่างคนสายตาสั้นหรือคนคิดสั้นแม้เราจะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็เชื่อมันว่าผลของกรรมของเรา ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงในชาตินี้เพียงชาติเดียวนอกจากนี้ทําให้เราสร้างความหวังขึ้นในชีวิตไม่ท้อแท้ง่ายเรามีความหวังอยู่เสมอว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งกรรมดีที่เราทําไว้จะต้องสนองเราการเชื่อเรื่องกรรมทาให้เรากลัวความชั่วแม้ไม่มีใครเห็นและทําให้เรามั่นคงในความดีกล้าทําความดีแม้ไม่มีใครเห็นเช่นกันเพราะถึงอย่างไรผลของกรรมจะมฟ้องอยู่เองว่าเราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมาเพียงใด บางท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมพระพุทธพาสิ่งเรื่องธรรมที่ยกมากล่าวเบื้องต้นนั้นพระาศาสดาต ร, ารัสแจกภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบชนสามพวกมีเรื่องย่อดังนี้ดำเนินความว่าภิกษุหลายลูกเดินทางมาเฝ้าพระาศาสดาที่เชตวนารามเข้าไปบินฑบาตให้หมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเลื่อมสายนิมนต์ให้ฉันก่อนฉันภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้แสดงธรรมให้ฟังก่อน เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาภาษาถ้าของทายกผู้ถวายขณะที่ชาวบ้านนั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองไฟจากเตาไฟของหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นติดชายคาสเวียนหญ้าอันหนึ่งถูกไฟไหม้และลมพัดปลิวขึ้นจากชายคาลอยอยู่ในอากาศขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาสอดคอเข้ามาในสเวียนหญ้าเกลียวหญ้าพันคอไหม้ตกลงมากลางบ้านพิสูจนทั้งหลายได้เห็นแล้วคิดว่ากรรมนี้หนักหนอ สวียนหญ้าลอยขึ้นไปพันคออาการในอากาศไม่แล้วตกลงมาเว้นพระศาสดาเสร็จแล้วใครเล่าจะรู้คำที่กานี้เคยทําแล้วเราจะคูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วลาชาบ้านจากไปมุ่งหน้าสู่เมืองสาวัตถีภิกษุอีกพวกหนึ่งต้องการไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีเหมือนกันโดยสารเรือไปเรือหยุดนิ่งในมหาสมุทรคนชาวเรือปรึกษากันว่า คงจะมีคนกาลกันนีคือคนชั่วอยู่ในเรือนี้จึงจับสลากกันสลากไปตกอยู่แก่พันยานในเรือซึ่งยังสาวสวยและอายุอย่างน้อยคนทั้งหลายต้องการเอาใจในเรือจึงให้จับสลากใหม่สลากไปตกแก่พันยานในเรือถึงสามครั้งพวกลูกเรือและผูโดยสารมองหน้าในเรือเหมือนจะถามว่าจะเอาอย่างไรกันนายในเรือตรองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้คนทั้งปลุมพินาศลงเพราะคนคนเดียว ข้าพเจ้าจึงสละหญิงนี้ขอท่านทั้งหลายจงทิ้งเธอลงในมหาสมุทรเสเถิดคนทั้งหลายจับหญิงนั้นเพื่อโยนลงน้ําเธอผู้อันมรณะภัยคุกคามแล้วร้องไห้ขอความช่วยเหลือในเรือสั่งลูกเรือว่าจงปลื้มอาภรของเธอออกซะ ก, ก่อนใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาผ้าขาวขาวให้เธ อ, น, อ น, นุ่งอันึ่งข้าพเจ้าไม่อาจเห็นความทรมานของเธอบนผิวน้ําได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเอาหมอ้อทรายผูกเชือกเข้า แล้วผูกติดกับคอของเธอเพื่อได้จมลงไปทีเดียวจงทําอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นลูกเรือได้ทำตามนั้นนางนั้นได้กลายเป็นเหยื่อของปลาแล้วเรือได้แล่นไปายางปกติภิกษุทั้งหลายเห็นเรื่องนี้แล้วคิดว่ายกเว้นพระศ า, าสดาเสียใครเล่าจากรูปอดีตกรรมของหญิงนี้เราจะทูลถามความเรื่องนี้กับพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีภิกษุอีเจ็ดรูปไปจากชนบท มุ่งหน้าสุวัชเชตวันเมืองสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาเดินทางมาข้าลงหน้าที่แห่งหนึ่งเข้าไปขออาศัยวัดแห่งหนึ่งพักนอนใกล้วัดมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งมีเตียงเจ็ดเตียงพิสูุนเจ้าของถิ่นจัดให้พักในถ้ำนั้นตอนกลางคืนหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาปิดปากถ้ำพิสูจนเหล่านั้นออกไม่ได้พวกพิสูจนเจ้าของถิ่นช่วยกันผักก็ไม่ออกพิสูจนเจ้าของถิ่นประกาศให้ชาวบ้านถึงเจ็ดตำบลรอบๆนั้นมาช่วยกันผลักก็ไม่ออก ภิกษุเจ็ดรูปนั้นติดอยู่ในถ้ำเจ็ดวันถูกไฟคือความหิวแผลเผาอย่างหนักได้รับทุกขเวทนากล้าเกือบจะหมดอะไรในชีวิตเพราะวันที่เจ็ดหินก้อนนั้นก็เคลื่อนย้ายออกไปเองพวกภิกษุออกจากถ้ำได้คิดว่าบาปกรรมของพวกเรานี้เว้นพระสัสดาใช้แล้วใครเล่าจะรู้พวกเราจะาทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นทั้งสามพวก มาพบกันในระหว่างทางรู้ความประสงค์ของกาลกัรแล้วข้อฝอาแลระศาสดาทูล ถ, ถามถึงข้อของใจของตนตามระดับดังต่อไปนี้หนึ่งกรรมเก่าของกาพระศาสดาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการชาวนาผู้หนึ่งฝึกโคของตนในเมืองพาราณสีแต่ไม่อาจฝึกได้เพราะโคนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียเมื่อเขาตีให้ลุกขึ้นมันเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้ว หยุดเสียอีกมีหลายคนกล่าวว่าคนอินเดียไม่เบียดเบียนสัตว์และนับถือวัวว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าแต่เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาคนอินเดียใช้สัตว์ทารุณเลิศเกินทั้งวัวม้าและลาใช้งานหนักมากบางตัวล้มลงขณะที่ลากรเวียนอยู่เพราะหนักและเหนื่อยเลิศเกินจนทนไม่ไหวถึงกระนั้นเจ้าของก็ยังปีให้เดินต่อไปบางตัวลากเกวียนจนหนังคอเปือยไปหมดอย่าพูดเพียงสัตว์เลย แม้คนชั้นกรรมกรก็ทำงานหนักเกินไปเขาโกรธมากกล่าวว่าต่อไปนี้มึงจงนอนให้สบายเถอะดังนี้แล้วเผาวัวนั้นทั้งเป็นโคถูกไฟครอกตายในที่นั้นชาวนาผู้นั้นเกิดในนรกนานขึ้นจากนรกมาเกิดเป็นคาถูกไฟครอกตายเจ็ดครั้งแล้วด้วยเศษกรรมที่หลงเหลือสองกรรมเก่าของพัญญาในเรือในอดีตการ ัญาาในเรือเป็นบุตรีของข้าบดีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีนางทำงานทุกอย่างด้วยตนเองเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นนางเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันรักนางมากนาั่งดูนางทากิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่เคยห่างเลยเมื่อนางนำอาหารไปให้สามีที่นาหรือไปเก็บผักสุนัขนางจะตามไปด้วยทุกขนทุกแหงจนพวกหนุ่มๆล้อ ก, กันว่าแน่พอเว้ยพราสุนัขออกแล้ว วันนี้พวกเราต้องได้กินข้าวกับเนื้อเป็นแน่หลายครั้งข้าวนางโวยเขินเพราะคําพูดของคนเหล่านั้นจึงเอาข้นดินบ้างถอนไม้บ้างไล่ตีให้มันจากไปมันไปได้หน่อยหนึ่งก็โผล่กลับมาหานางอีกทราบว่าในชาติที่สามนอกจากชาติปัจจุบันไปสุนักนั้นเคยเป็นสามีของนางมันจึงไม่อาจตัดความรักได้จริงอยู่บุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตอันกําหนดได้ยากนี้ คนที่ไม่เคยเป็นสามีพัญญากันนั้นย่อมไม่มีคือไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นสามีพัญญากันอย่างไรก็ตามคนที่เป็น ญ, ญาติกันในชาติที่ใกล้ย่อมมีความรักอันแน่นแฟ้นกว่าด้วยเหตุนี้สุนัขนั้นจึงไม่อาจตัดความรักในนางได้วันหนึ่งนางเอาอาหารไปให้สามีที่นาเอาเชือกไปด้วยเมื่อให้อาหารแก่สามีแล้วเอากระออเปล่าไปยังท่าน้าแห่งหนึ่งเอาทรายใส่จนเต็ม แล้วเอาปลายเชือกผูกเข้ากับปากหมอ้อเรียกสุนัขขมาใกล้มันดีใจว่านานและเกินแล้วไม่เคยได้ยินเสียงอันแสดงความปลาในอย่างนี้จากนายของมันเลยจึงกระดิกหางเข้าไปหาอย่างมีความสุขนางเอาปลายเชือกข้งหนึ่งผูกคอหมาแล้วผลักกระออมลงน้ําสุนัขนั้นก็ถูกดึงลงน้ําด้วยมันจมน้ําตายด้วยกรรมนี้นางหมกไหมอยู่ในนรกนาน เพราะเศษคำที่เหลือจึงถูกทวงน้ำด้วยมอไซายมาถึงร้อยชาติแล้วสกรรมเก่าของภิกษุเจ็ดรูปในอดีตการเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนในเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละเจ็ดวันใกล้ดวงแห่งหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาได้พบเฮี่ยใหญ่ตัวหนึ่งจึงชวนกันไล่ตามเฮี่ย ว, วิ่งหนีเข้ารูในจอมปลวกพวกเด็กคิดว่าจะมาจับพรุ่งนี้จึงช่วยกันเอาใบไม้อุดรูทั้งเจ็ดรูแล้วจากไป วันรุง่งคืนเด็กพวกนั้นไปเลี้ยงวัวเสียที่อื่นลืมเสียสนิทว่าอุดรูเหี้ยไว้พอวันที่เจ็ดจึงกลับมาที่เดิมอีกจึงนึกได้ช่วยกันเอาใบไม้ออกเหี้ยอดทหารอดน้ำหรือสนังหุ่มกระดูกคลานต้มเตียมออกมาพวกเด็กรู้สึกสงสารจึงไม่ได้ทำร้ายมันปล่อยมันไปเด็กพวกนั้นไม่ได้ไหมในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าเหี้ยแต่ได้ถูกขังครั้งละเจ็ดวัน อดข้าวอดหน้ามาสิบสี่ชาติแล้วเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนนั้นคือภิกษุเจ็ดรูปที่มาติดอยู่ในถ้ำนั่นเองภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าสถานที่ที่พ้นจากกรรมไม่มีหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายบรรดาที่ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นไม่มีที่ใดเลยที่จะหลบผลของกรรมได้ดังนี้แล้วตรัสพระกาถาว่าณนะอันตริเคณนะสมุดดะมะเช เป็นอาธิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น